ท่านฟังคะเราก็มาถึงช่วงเวลาที่ท่านรอคอยคือเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะซึ่งดิฉันดีใจมากที่หลายท่านบอกว่าหลังจากฟังท่านมาร์กท่านมาร์กอ่านพระสูตรก็ทําสมาธิกันไปด้วยแล้วก็เลยทําเรื่อยมาจนถึงกว่าจะจบรายการเลยแสดงว่าท่านผู้ฟังของเรานี่ ก้าวหน้ามากนะคะต้องขอแสดงความชื่นชมพร้อมทั้งแสดงความยินดีขณะนี้พระจันทร์พบูลอภิปุนโนท่านก็พร้อมแล้วที่จะพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนวัฒการกันทั้นค่ะอาจรย์พรค่ะรู้สึกว่าประเด็นที่พระพุทธองค์ประชุมสงฆ์หลังจากที่ตรัสรู้ได้9เดือนคือในวันมาคบบูชาใช่เรายังจะไม่สมบูรณ์ซะทีเดียวเพราะว่าเห็นท่านพิบูร์บอกว่ามีสาระรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ ท่านได้สงใสยในวาระการประชุมใช่ไหมคะใช่คือคือครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยประชุมการสมมติเราตั้งบริษัทขึ้นมาสักบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เ, เพื่อทําการคา้าใช่ไหมการประชุมครั้งแรกของบริษัทอะว่าเราจะขายอะไรใครจะคนทําหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นการประชุมสงครั้งแรกครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ นะถึงว่าต้องเป็นวันสำคัญทางาศาสนาคือวันมาครบบูชา <Okay. S 1> แล้วพระสมณโคโดมเนี่ยก็พูดถึงการประชุมสงฆ์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยกับของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆด้วยว่า <Okay. S 1> ในที่ประชุมครั้งนั้นมีพระกี่องค์มีมีกี่ครั้งอะไรต่างๆ <Okay. S 1> เพราะนั้นเนื้อหาสาระในการประชุมประชุมครั้งนั้นจึงเป็นมีความสำคัญซึ่งพระพุทธเจ้าสมณโคโดมเนี่ยได้พูดถึงอันดับแรกเลยคือคันติความ <Okay. S 1> อดทน ว่าเอ๊ะถ้าเธอจะไปประกาศศาสนาเนี่ยหรือบอกคําสอนต่างๆเนี่ยในเมื่อในชมพูตะีบหรือที่ต่างๆเนี่ยเขามีความคิดลัดทธิอะไรอื่นๆอยู่แล้วอย่างแรกเลยต้องอดทน<ะ> อ, อย่างการอดทนเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ดีนะเพราะว่าเราจ ะ, ะช่วยรักษาคนอื่นด้วยการอดทนนี้ด้วย<ะ>แล้วก็ไม่กล่าวร้ายคนอื่นนะไม่เบียดเบียนคนอื่ น, นแล้วก็พูดถึงเรื่องนิพพานมาเออที่เราสอนนะนิพพานสุดยอด <Okay. S 2> อย่าว่าคนอื่นอย่าด่าคนอื่นอย่าเบียดเบียนคนอื่นให้ขันติเอาไว้ขันติขัน ต, นตนะิเขาว่าอยง่งไรเราก็อดทนเอาลักษณะนี่คือวาระการประชุมครั้งแรกของบวชประชา <Okay. S 2> แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการไม่ทําชั่วการไม่ทําชั่วทําความดีทําจิตให้บริสุทธิ์อะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงว่าตัวท่านเองตัวพระเองหรือตัวสาวกเองเนี่ยหนึ่งนะต้องอย่าว่าคนอื่นอย่าทําร้ายคนอื่นเป็นคนมีศีลรู้จักกินให้พออยู่เสนาสนะอันสงัดทําความเพียรทางจิต นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะไปสอนคนอื่นคุณก็ต้องทําด้วยเ <C HA. S 2> นอะว่าบอกสอนอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรสอนอย่างนั้น <C HA. S 2> นี่คือวาระการประชุมที่พระเจ้าประชุมในครั้งนั้นซึ่งมีเนื้อสาะระที่ดีมากอ๋อค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเพื่อให้เราเข้าใจกันง่ายๆก็เลยสรุปหัวใจหลักๆสมข้อเกี่ยวกับโอวาทปฏิโมกที่เข้าใจว่าท่องกันได้ทั้งหมดนะ น, นะคะ <C hy> เพราะว่าเขาสอนกันมาตั้งแต่ตอนที่เราเรียนชั้นประถมใช่ ก็คือการไม่ทําชั่วทั้งปวงการทําแต่ความดีแล้ก็ทําจิตของตนให้บริสุ<า>ทธิ์ค่ะต้อใจค่ะเดี๋ยวถามอีกนิดนึงการไม่ทําชั่วทั้งปวงเนี่ยทั้งปวงเนี่ ย, ท, ยท่านสรุปให้กระจ่างชัดขึ้นมาอีกได้ไหมคะคืออกุศลธรรมทั้งหลายค่ะอกุศลธรรมทั้งหลายมีอะไรบ้างถ้าเราจะแยกย่อยๆไม่ดีทางกายวาจาใจแยกเป็น3อย่างก็ได้ไม่ดีทางกายคืออะไรเอาฆ่าสัตว์ใช่ไหมลักทรัพย์เพื่อผิดในการมไม่ดีทางวาจาเอาพูดเท็จ พูดสออเสียดพูดคาหยาบใช่ไหมไม่ทาไม่ดีทางใจคืออะไรคิดเบียดเบียนเขาคิดจะรักของเขาอย่างนี้เอพิชกิก็ไม่ดีนี่คือไม่ทำบาปทางปวงการการทำจิตการทำความดีต่างๆใช่มการทำความดีก็เป็นคนที่ ร, รู้พฤตอยู่ในศีลการเห็นอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงตา่าการไม่ยกตนกลมผู้อื่นนะการ มีจิตเมตตามีความรักใคร่เอ็นดูอย่างนี้เป็นคุณธรรมที่ดีอจะว่าไปสองข้อนี้ก็สมบูรณ์มากแล้วนะคะคือไม่ไม่ให้ทําทุกอย่างที่ไม่ดีให้ทําทุกอย่างที่ดีถูกต้องแล้วมันก็เพียงพอแล้วไม่เห็นต้องบอกว่ามาทําให้ใจทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงที่พระุทธเจาบัญญัติถึงเรื่องสมาทิฏฐิว่าสมาธิฏฐิมีสองอย่างส่วนที่เกี่ยวข้องกับของหนักคือของโลกเช่นการให้ทานการทําความดีมี การบูชาต่างๆมีการบูชาเทวดาก็มีการบูชาพ่อแม่ก็กดีหมดอ่ะอันนี้เป็นสมาธิอันแรกอันนี้ทําความดีจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาไม่ได้ทําความดีแต่พุทธเจ้าก็บัญญัติอีกอันหนึ่งคือสมาธิอันเป็นไปเนื่องด้วยกับนิพพานคือสมาธิขั้นโลกุตระเพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยต้องทําจิตให้ผ่องใสจะต้องภาวนา<อ>ก็คือยกจิตขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งคือสู่ระดับเหนือโลก คือถ้าสองข้อแรกเนี่ยยังได้อาจจะยังอยู่ในระดับโลกๆอยู่ใช่แต่พอทำข้อที่สามเนี่ยคือการเดินทางไปสู่ระดับเหนือโลกนะคะทำจิตใจให้ของแควก็เรียกว่าได้รายละเอียดชัดเจนเข้าไปอีกค่ะมาคำถามอื่นนะคะคำถามเกี่ยวกับอภิธรรมและอภิวินัยค่ะอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่อยากจะเปิดธรรมที่ถูกปิดนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่า เรื่องของอภิธรรมที่เราศึกษากันอยู่ในบ้านบ้านเมืองเราหรือว่าในทั่วโลกเนี่ยเขาศึกษาเรื่องอภิธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง <Okay. S 1> คืออภิธรรมที่ที่ใช้ชื่อว่าอภิธรรมเนี่ยมันมีไส้ในที่ไม่เหมือนกันอยู่3อย่างนะอย่างแรกเนี่ยคืออภิธรรมที่อยู่ในที่ศึกษากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ว่าจิตเป็นดวงดวงนะ <Okay. S 1> มีจิตเจริสิกรูปนิพพานอย่างละกี่ดวงกี่ดวง4อย่างนะนี่คืออภิธรรมอย่างที่เรียกว่า เาจะมาใช้คำว่าอภิธรรมปิดอกละกันค่ะนะอย่างที่2คืออภิธรรมที่เป็นการสวดพระอภิธรรมสวดตามงานศพที่ว่ากุศลธรรมมากุศลธรรมมาอารมณาปัจจัยธรรมมาต่างๆเหล่านี้นะค่ะที่บทสวดตอนงานศพสวดอภิธรรมอย่างนั้นอ่ะอันนี้คืออย่างที่2อย่างที่สคือเรื่องของอภิธรรมอภิวิไนท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลความคิดที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบของธรรมะอันนี้คืออภิธรรมอภิวินท์ ซึ่งศัพท์ฝรั่งหรือว่าศัพท์ของภาษาอังกฤษซึ่งชาวตะวันตกเขาใช้เนี่ยเขาใช้คำว่า systematic thinking หรือ logical thinking ของธรรมะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งเขาใช้คำว่า metadata ของธรรมะ meta เนี่ย meta เนี่ยคือส่วนที่เหนือขึ้นไปของส่วนธรรมะการเกี่ยวเนื่องการการทำงานเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะต่างๆอันนี้ก็อย่างที่3ที่เรียกว่าอภิธรรมอภิวิไน ซึ่งจากพุทธวจนะเนี่ยเราก็ได้ไปสืบค้นมาพบว่าพระพุทธเจ้าในเวลาตรัสเรื่องอภิธรรมเนี่ยจะตรัสอภิธรรมคู่กับอภิวินัยเสมอคะ่ะก็คือส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลของการของเรื่องธรรมะเพราะฉะนั้น <c oughs> เรื่องของจิตเป็นดวงดวงเรายกไว้ก่อนเรื่องของการสวดอภิธรรมตามงานสพเรายกไว้ก่อนเรามาดูความหมายของคำว่าอภิธรรมอภิวิไนที่เป็นการเกี่ยวเนื่องกัน ตามเป็นการเป็นระบบของธรรมะยกตัวอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอาวาจาของซาบบรุตที่พูดบอกว่าเทศบารุษเนี่ยเมื่อมีคนถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นําเอาปัญหามาทําให้หลีกเลี่ยงลดหย่อนกล่าวความไม่ดีของบุคคลอื่นอย่างไม่พิสานนับริบูรณ์เอ๊ะอันนี้เป็นมุสาหรือเปล่าใช่ไหมแต่หลังจากที่เรายกหลายพระสูตรหลายเรื่องเนี่ยม า, ามาสอดคล้องกันอย่างเช่นการมุสาคืออะไร คือการแกล้งกล่าวให้ผิดต่อโล ก, โลกรู้กล่าวว่าไม่รูนะ้เราต้องมาดูพิจารณาเรื่องการติเตียนตามที่เป็นจริงตามการนันควรการพูดเบียดเบียนคือการถ้าพูดแล้วเขาไปแตกจากฝ่ายนนะู้นการพูดทีเ่เป็นการวัดสอบบุคคลอื่นก็ไม่ดีการที่พูดไปแล้วนะจะมีการเสี่ยงที่ทำให้เขามีความคิดแตกแยกจากอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นการพูดที่ไม่ดีเพราะนั้นการ เกี่ยวเนื่องกันของธรรมะหลายๆส่วนเนี่ยเนี่ยเป็นอภิธรรมอภิวินยัยที่จะมาอธิบายตัวที่ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นวาจาของศัตว์บุรุษจริงหรือเปล่าเป็นมุสาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นระบบของธรรมะอันนี้คืออภิธรรมอภิวินยัยเมื่อกล่าวถึงอภิธรรมที่พระพุทธองค์แสดงเนี่ยต้องพูดคู่กันเลยหรอคะอภิธรรมอภิวินยัยถูกต้อง อ, อย่างที่ท่านยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยตรงไหนคืออภิธรรมตรงไหนคืออภิวินัยคะ ตรงนี้เป็นส่วนของธรรมะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีแค่อภิธรรมแต่ถ้าเราจะเอาวินัยเข้ามาจับก็คือว่าถ้าพระพูดโกหกเนี่ยแกล้กล่าวให้ผิดต่อโลกเป็นปาจิติอ๋อหมายความว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสในคราวเดียวกันนั้นหลังจากที่ตรัสสิ่งที่เป็นธรรมแล้ว จ, จะผนวกสิ่งที่เป็นวินัยขึ้นมาทันทีหมายถึงว่าเราจะเอาวินัยเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ว่าอ้าวนี่ไงการสอดคล้องกันของธรรมะทุกอย่างเนี่ยเป็นอภิธรรมอบิวินัยถ้าคุณเอาวินัยเข้ามาเกี่ยวด้วยก็จะมีส่วนที่เป็นอภิวินัย ค่ะเดี๋ยวขอทบทวนทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งในขณะนี้เนี่ยเรากำลังพูดจำเพาะลงไปในอภิธรรมอภิวินัยที่พระพุทธองค์ได้ส่งแสดงไว้นะคะแล้วก็ได้บอกให้ได้ทราบว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะแสดงในสิ่งนี้สองสิ่งนี้คู่กันเสมอแต่อาจไม่ได้แสดงในคราวเดียวกันก็ได้ถูกไหมคะถูกต้องคือเหมือนกับว่าแสดงไว้คนละที่ แต่มีอยู่เพื่อที่จะให้นํามาเทียบเคียงกันได้ ใ, ในเรื่องเดียวกันเทียยงกันได้เกี่ยวเนื่องกันได้การเกี่ยวเนื่องกันของธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลการทํางานกันเป็นระบบของธรรมะอันเนี้ยเป็นอภิธรรมอภิวิไนค่ะทีนี้ถ้าท่านอธิบายตรงนี้สมบูรณ์เพียงพอแล้วนะคะจะขอกลับไปที่อภิธรรมอีกสองประการได้ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิธรรมที่ท่านเรียกว่าเป็นอภิธรรมปิดกเพราะมีคนจํานวนมาก ก็เข้าใจอภิธรรมในลักษณะนี้ทีนี้รายการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเนี่ยเราก็เอาพุทธวาสนะมาชี้แจงแถลงไขว่าเอออภิธรรมเนี่ยที่เขาศึกษากันอยู่เนี่ยก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นพุทธวาสน ะ, ะก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ใช่อันนี้แต่งขึ้นภายหลังเพราะฉะนั้นในเมื่อมีคนเข้าใจไม่เหมือนกันเนี่ยเรายกไว้ก่อนะนะเรามาดูพุทธวานะ ดีกว่าว่าเออยังไงก็ตามคนสองกลุ่มเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเออพุทธวจนะก็คือพุทธวจนะเพราะฉะนั้นเรามันเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าพุทธวจนะเนี่ยอธิบายถึงสิ่งที่เป็นอภิธรรมอภิวินัยโดยนัยในบ้างจากที่อามาไปตรวจสอบค้นคว้าต่างานเนี่ยก็พบว่ามีนัยยะที่3ที่ได้อธิบายเมื่อสกรูนี้ว่ามีอภิธรรมอภิวินัยนะคือการเกี่ยวเนื่องกันของธรรมะการทํางานเป็นระบบนะค่ะซึ่งจะเป็นคนละอันกันกันกบทั้งสองอย่างซึ่งเราก็จะยกไวนะ้ตรงนี้จริงๆแล้วจะว่าไปนะนะคะ คำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษที่ท่านบอก Systematic Thinking เนี่ยมันชัดมากเลยนะคะถูกต้องแล้วก็ Logical Thinking ของธรรมะมีคนเคยตั้งข้อสังเกตเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาจบปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์เขาก็มาศึกษาพุทธวจนะจากแผ่นซีดีที่ท่านอาจารย์คือกริแจกคะโปรแกรมสืบค้นพุทธวจนะเนี่ยแล้วเขาบอกว่าจากการสืบค้นเนี่ยครับผมได้พบว่าการอ่านพุทโธนะเนี่ย อ่านในภาษาอังกฤษนะ่ยมันเข้าใจชัดเจนมากมแต่อ่านในภาษาไทยเนี่ยเนื่องจากภาษาไทยมีระดับของภาษาใช่ไหมคะแล้วผู้เจ้าเจ้านี่ถือว่าเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงนะ่ย<ช>เหมือนพระมหาจักรพรรดิก็จะใช้ศัพท์สูงเขาบอกว่าสําหรับผมนะครับใครอ่านภาษาอังกฤษได้ผมอยากแนะนําให้อ่านภาษาอังกฤษท่านอาจารคิดยังไงคะในฐานะที่เป็นผู้ที่ศึกษาทาาษาั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันคือทําให้เราแตกฉานมากขึ้นค่ะเพราะว่า การแปลสำนวนต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เข้าใจว่าอ๋อคนนี้ใช้สำนวนนี้แหม่มันดี <Okay. S 2> ไอ้คนนี้ใช้อีกสำนวนหนึงแหม่มันดีคนนี้มันก็มี <Okay. S 2> ทําให้เราเข้าใจแล้วก็การที่ศึกษาสองภาษาเนี่ยมันจะไม่เห็นความแตกต่างของภาษาเพราะว่าภาษาอย่างภาษาไทยเนี่ยคำว่าอยากเนี่ยคำว่าอยากเป็นต้นเนี่ยโอ้มันใช้กันมั่วซั่วหมดเลยตัาหาก็อยากตัาหาอยากที่ดีก็มีอยากไม่ดีก็มีใ ช, ใช่ไหม <okay. S 2> แต่พอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่า want ต้องการมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งมันจะมีคอนเนตชัน uh, หรือว่าไนยะที่เป็นบวกเป็นลบของคํานั้นๆอยู่ซึ่งจะไม่เหมือนกันจะทําให้ความเข้าใจเนี่ยมันโฟกัสตรงลงไปจุดได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราได้ศึกษามากขึ้นเนี่ยจะทําให้แตกฉานมากขึ้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงใครที่อ่านภาษาอังกฤษได้พอสมควรท่านแนะนําให้ศึกษาพุทธวจะนะเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมค ะ, ะมาเห็นประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าตัวเองเราก็ทําอยู่ อ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยเราเข้าใจระดับหนึ่งอ่านระไตราภาษาอังกฤษเราเข้าใจสูงขึ้นไปอีกแล้วพอกลับมาอ่านภาษาไทยอยีกมันเข้าใจสูงขึ้นไปอีกค่ะ <c oughs> เป็นอย่างนี้เลย ค, คือคือคําศัพท์ภาษาไทยเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีพอเราเราไม่ค่อยเข้าใจคํานี้เพราะว่าเรื่องรากศัพท์เรื่องอะไรแต่พอไปดูปาภาษาอังกฤษเข้าใจระดับนี้สูงขึ้นไปกลับมาอ่านภาษาไทยโอ้โหรากศัพท์มันลึกมากยิ่เข้าใจมากขึ้นไปเวลามากพอเอาตัยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะ อย่างเรื่องชันหนึ่งชานที่หนึ่งผู้เชื่บอกว่าไปสู่เสนาสนะอสงัดคําว่าสงัดจากอกุศลธรรมต่างหลายสงัดนะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าซีคลูเดตซึ่งรากศัพท์ของคําเนี้ก็คือว่าตอนกลางคืนน่ะแม้มะแลงจะมีเสียงยิงๆสักตัวหนึ่งก็ไม่มีอมันอ่านภาษาไทยโอ้สงัดนี่มันสงัดขนาดนั้นนะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายอมันเข้าใจลึกซึ้งหนึ่งหอเ่าไหมค่ะอันนั้น ก็น่าสนใจนะคะถ้ามีโอกาส<ร>ที่จะศึกษาทีนี้อยากจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในเมื่อมีอภิธรรม3ประเภท<ช>คนยังสงสัยอยู่ว่าแล้วพระอภิธรรมที่เราไปสวดกันจังเลยเวลามีคนเสียชีวิตเนี่ยคะ่ะคืออะไรคะก็คือตรงนี้เป็นบทสวดที่เป็นบทที่อยู่ในอภิธรรมปิฎกก็อธิบายถึงเรื่องกุศลอกุศลเรื่องของการมีอารมณ์เป็นปัจจัยความเป็นเหตุเป็นผลปัจจัยซึ่งตรงนี้เนี่ย แต่มามองดูนะคิดว่าสมมติพื่อเรื่องอ่ะอกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาเนี่ยทาที่เป็นกุศลทาที่เป็นอ ก, กุศลอ๋อในพุทวัฒนะก็มีนะพระรุชาอธิบายเรื่องกุศลไว้อธิบายเรื่องอ ก, กุศลไว้โอ้อันนี้อฟังได้เพราะฉะนั้นค่ะเราอยากเรียนถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเรียนภาษาไทยทุน่ทนๆมาคําว่าอภิเปลว่าใหญ่ก็ทําอันใหญ่เนี่ยอย่างไรคะที่ว่าเป็นทำอันใหญ่อภิแปลว่าเหนืออภิแปลว่ายิ่งใหญ่ อออ่างพอสัมเพาเสลาอ๋ออภ <นะ S 2> ินี้แปลว่าเหนือเหรอคะเหนือนะคือเมตาหรือเหนือแต่อธิเนอ้ออ่างทอทองเซลอีเนี่ยแปลว่าใหญ่หรือมากค่ ะ, ะต้องแยกกันพุทธเจ้าใช้คําว่าอธิปัญญาอธิจิตตาอธิศีลมีใช้อภิคือเหนือธรรมเหนือวินัยมีคนละคมคนละคำอภิเนี่ยเป็นภาษาตั้งแต่สมัย พ, พุทธเจ้าด้วยไหมคะใช่มีด้วยใช่ไหมคะทีเนี้ยเนี่ยค่ะก็เลยอยากถามว่าไอ้ที่ธรรเหนือธรรมเนี่ยเป็นธรรมพิเศษอย่างไรคะ เนื้อธรรมก็คือความเกี่ยวเนื่องกันของธรรมะการทํางานเป็นระบบของธรรมะมเพราะว่ามันจะอธิบายเอาสมมติทำหมวดนี้เกี่ยวข้องกับธรรมหมวดนี้อย่างไรนี่ะอะพิธรมรมพอดีเวลาใกล้หมดต้องขมวดให้ท่านฟังฟังแล้วชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า<ม>สรุปรวมแล้วหากเราศึกษาพุทธวจนะคืออะพิธรมธรมอภิอวินยัยที่บอกเป็นธรรมที่สอดคล้องกันเป็นระบบวิธีคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยนะคะจะครอบคลุม ทั้งสอภิที่ท่านได้พูดมาหรือเปล่าคะอืมก็จะใกล้เคียงกับพุทธวจนะมากที่สุดถ้าจะฟันตรงนี้ก็ได้จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นพุทธวจนะมากที่สุดเพราะว่าจะใช้พุทธวจนะอธิบายพุทธวจนะได้ค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอภิอภิธรรมนะค ะ, <ล>ะกันไปอ พ, พอสมควรส่วนท่านที่ยังมีความต้องการให้กระจางกว่านี้อีกเรามีช่องทางให้ท่านนะคะ worldwide web piyothama com 106วันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไว้ในโอกาสนี้ค่ะนมัส ก, การ ค, ะค่ะท่านค่ะท่านฟังค่ะส่วนรายการของเรานะคะเจตนาก็คือต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยได้เข้าถึงพุทธวจนะคือคำสอนจากพระโอษฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากที่สุดไม่ว่าจะสนทนาเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่การตอบคําถามนั้น ภายในการตอบคำถามของพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นการนําเอาพุทธวจนะมาตอบค่ะและสำหรับท่านที่สนใจพุทธวจนะที่สอนเรื่องเกี่ยวกับการทำอาณาปานสตินะคะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อไปสู่ทางหลุดพ้นที่พระพุทธองค์ได้ใช้เป็นวิหารธรรมที่ทรงมากที่สุดวิธีหนึ่งในช่วงก่อนหน้าที่จะ ตรัสรู้และหลังจากนั้นด้วยเนี่ยนะคะเราก็กําลังแจกอยู่ให้กับผู้ที่สนใจวันละหนึ่งเล่มท่านติดต่อมาที่022690006ค่ะวันนี้พอควรแก่เวลาพรุ่งนี้เชิญมาฟังกันใหม่ตี5เช่นเคยนะคะขอได้รับความขอบคุณจากที่ันสันสนหนาคพงษ์และรายการสันสนีสนทนาพุทธวัด ส, สวัสดีค่ะ